เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมไทยตามที่ท่า บ, บสปสชสีแดงพัฒนานันคมมาขอรัฒนาทุดยอโด้วยความรุขระิครับขอประกาศที่ถนึงนร้ตโซยต้าสอสหอน ส, อ 1, 35, 5, 5มสามห้าหอปต ม, ม, มสีดาครับขยับเพิ่ขึ้นเลยครับกอดกกสีหกหกเจ็ดปตมสีเทาครับขับเพิ่มครับโซยต้าหนสามห้าแล้วก็กอด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 เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสิ่งภายนอกด้วยเพราะว่าบุคคลไม่สามารถจะอยู่รอดได้หากปราศจากสังคมหากปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลยิ่งเรามาอยู่กันเป็นประเทศชาตินะซ้ำนึกในเรื่องของการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหรือว่าให้กับโลกทั้งโลกเนี่ย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 คุณนิลโมนี่เป็นนักทำสารคดีก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยมีคุณป้านึงเนี่ยเดินถือเดินผ่านมาในมือก็ถือปลาพวงใหญ่มีลาหลายตัวคุณป้า น, นี้ก็คงจะคุ้นเคยกับคนในกองถ่ายซึ่งส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพก็เลยถามคนในกองถ่ายว่าไอปา้ปลาไอ้ปลาพวงนี้เนี่ย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 มันต้องเป็นคุณธรรมชั้นเลิศแต่สําหรับสังคมสมัยก่อนแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นสามัญสำนึกพื้นฐานเลยก็คือว่าความเ e อืเฟื้อเกื้อกูลกันนั้นเนี่ยมันแยกไม่ออกกับการที่เราจะอยู่อย่างพลาสติกเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็เอเฟือเกื้อกูลกันเป็นปกติเขามไม่รู้สึกว่านี่เป็นคุณธรรมแต่ว่ามันก็เป็นน้ําใจที่ทุกคนก็สามารถสัมผัสได้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 เมื่อเราไปถามคนแรกว่าเขาทำอะไรคนแรกก็ตอบอย่างเนยนายว่าผมกำลังก่ออิฐครับไปถามคนที่2อนะซึ่งทําไปดูนาฬิกาไปถามว่ากาลังทาอะไรเขาบอกผมกาลังก่อกาแพงครับถามคนที่3มซึ่งกระฉับกระเฉงมากเงื่อโซมเลยนะถามว่ากำลังทาอะไรเขาบอกผมกาลังสร้างวัดครับ สอสามคนเนี่ยต่อไม่เหมือนกัน ท, ทั้งที่ทําอย่างเดียวกันก่ออิฐเหมือนกันแต่คนต้งบอกว่าผมก่ออิฐคนที่สองบอกผมก่อกําแพงคนที่3าบอกผมกำลังสร้างวะทั้งสามคนก่ออิฐเหมือนกันแต่ว่าท่าทีต่อการทํางานไม่เหมือนกันคนแรกก่ออิฐ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 รือแม้กระทั่งคนที่ทํางานในฝ่ายฝ่ายฝ่ายบัญชีถ้าคขารู้สึกว่าเขากำลังมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็จะทํางานอย่างกระตือรือร้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้คนไข้ถึงจะรู้สึกว่าตัวมีคุณค่าตรงนั้นแม้จะอยู่ไกลขาก็รู้สึกว่า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 เพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนก็จะเป็นเรื่องเล็กแล้วคนที่เอาอัตราตัวตนเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยจะทนคำวิจาร์ไม่ได้แต่คนที่เอาอัตราเอางานใหญ่กว่าสาคัญกว่าตัวเองเนี่ยอัตราก็จะเล็กเมื่ออัตาเล็กก็พร้อมจะฟังคำวิจารได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นเมื่อคนเราพร้อมที่จะฟังคำวิจาร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 และคนทำก็มีความสุขด้วยแต่ว่าความหมายจริงๆเนี่ยเขาจะได้เรื่องความสำเร็จของงานอิติอิธิแปลว่าสำเร็จนะบาทก็คือเส้นทางหรือขั้นตอนละการทำงานเพื่อสังคมเนี่ยถ้าเรามีอิธิบาท4นะเริ่มต้นจากการเราที่เราเห็นคุณค่าของงานเราก็จะรักในงาน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 เด็กถูกทิ้งเยอะส่วนใหญ่จะทิ้งประมาณเด็กจะถูกทิ้งเนี่ยเมืองไทยเด็กจะถูกทิ้งประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะจ ะ, จะทิ้งเยอะทรถถาบไหมรทำไมถึงเดือนนี้ถึงถูกทิ้งเยอะเพราะว่ามันเป็น9เดือนหลังจากวันวาเลนไทน์อีกทีนี้ก็คือประมาณเดือนกรกฎา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 หรือว่าการทำเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือมิฉะนั้นก็จะต้องท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจแ่าจะยังรักษาความบริสุทธิ์สุจริตเอาไว้ได้แต่ว่าก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงอันนี้ก็เกิดขึ้นไม่ใเฉพาะในแวดวงราช ก, การคนทํางานประสางคนในวงการ NGO ในหมู่นักการเมือง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 ทำความสะอาห้องเรียนบ้างเด็กก็ประมาณสิบสองสิานะคล้ายๆเรนุที่โชว์แล้วเขาก็มาดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรก็มีคราวนึงเียให้เด็กเนี่ยคนเนี่ยเด็ก3คนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเอาเด็ก3คนเนี่ยไปขนของขึ้นรถไฟรถไฟเนี่ยมันมีเวลาออกที่แน่นอนใช่ไหมครับดะงนั้นก็ต้องรีบขนปรากฏว่าบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิ ต, ตจงจอหอรู้จักใช่ไมสมจิตนักชกเหลีทองโอลิมปิกขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์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 แกบอกเจ็บ10เจ็บ10บคะแนนบางก็ตกใจเจ็บ10คะแนนนี่ยังยังมานั่งคุยอย่างนี้ได้ยังไงไหนไหนป้าอธิบายหน่อยสิจเจ็บิบคะแนนเป็นยังไงแกบอกว่าร่างกายเจ็บสมส่วนแล้วก็จิตใจปวดอีกสามส่วนอีก7ส่วนมันก็เป็น10ใช่ั้ยฮะแกบอกเจ็บ10คะแนนนั้นคนเราเนี่ยเวลาเวลาเวลาทุกใจเนี่ยเวลาเวลาทุกกายเนี่ยมันแค่1ส่วนนะ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 อาคารตุกกาศก็พูดชมว่ากำแพงนี้สวยอาจารย์พรมท่านก็แปลกใจท่านก็ไม่เชื่อหูท่านก็ถามว่ามันสวยได้ยังไงคุณไม่เห็นไอ้ก้อน2ก้อนนี้เหรออาคารตุกกาศว่าผมเห็นครับแต่ผมเห็นอีกเกอ้าสิบแปเก้วรอเก้าสบแก้อนมันสวยนะเข้าใจไหมฮะคืออาคาตุกกาศเนี่เห็น2อก้อนแต่เห็นไอ้ก้อยเก้ก้ดก้อนว่ามันสวย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 เรามักจะวิจารณัถ้าจะให้วิจารกัเนี่ยวิจารก์ได้ถนัดเลยนะแต่เวลาจะให้ชมเนี่ชมไม่ออกนะอาตมาก็เคยเนะเจอเวลามีการวิจารกันเนี่ยวิจารณงานวิจารณ์อะไรเนี่ยก็วิจารณ์กันได้กันทะลุ ป, ปูโโปร่งเลยนะแต่บอกพอบอกว่าไหนคุณลองชมใชชมไม่ออกฮนะเพรมองไม่เห็นในที่ทํางานอาตมาที่ว่าลองลองถามวันนี้บ้างเมื่อชมเมื่อ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 เราจมาชื่อตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้เรามีความสุขได้การทํางานเพื่อส่วนรวมก็จะเป็นไปได้อย่างมีความต่อเนื่องงานก็ได้ผลคลก็เป็นสุขด้วยเพราะคิดว่าใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับผมต้องข อ, อยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ไม่ทราบว่จะมีเวลาสอบถามหรือเปล่า น, นะมครับ การขอบรขอบวนเจ้าอย่าโจรนะครับมีเพื่อนๆอากถามคำถามขบวนเจ้าสักสอาเรื่องครับนพอเวลานงานสนารพันสุดนั้นก็มีไม่เยอะรอบนเจ้าถ้าโจรลงมาประมาณ 8.4 ดเรื่องคำถามก็ถือนนี้ครับกระทรวนวสาธรุพยายามเติมเต็มในพม่า ตอนนี้จะเป็นปปสตอเกิดผลกระทบนะครับปี่หน้าอีก mm. แปดทันแหงก็ต mm. ้องทำงานด้วยสกิลต่อไปที่ไทยที่จะถามกถามทาด้านนี้นะครับขบันวัฒ์การพ่อพิษานนะครับผมปริตผูจอยจอยลาานุอำเภอเขาข้นพระบาทสารีถึงมาช้าแต่ก็มานะครับ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 หมายความว่า e x ปายแล้วแต่ผมแนะนำให้ว่าพออรอคอตตหรือลูกพี่ของท่านเนี่ยส่วนดีก็มีพูดอย่างไรแม่อลไรจอบบางเัวหน้าสอมุงที่งานไม่เป็นทีข้อมูลก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่เขาบริหารเป็นเอาให้ใจร้อนๆเป็น น้องๆมองลูกพี่พี่นะครับในส่วนที่ดีของเขายังมีอยู่ก่อยผมเอยหรือก่อนเกษียณผมให้มองตรงนี้และน้องๆช่วยนกครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นการทำงานต้องทำ เ, เป็นทีมเวิร์กการเดินคนเดียวเนคนเดียวแล้วตายนะครับเอาลูพี่ฝากชื่อพี่เข้าไปด้วยว่าไปทำ ง, งานเป็นทีม ผลงานเด่นระงวัลที่หนึ่งกว่าเลียบพระพุทธบาทอย่างนี้เป็นต้นเอาลูกทีใฝ่ด้วยจะนี้นะครับได้ใจครับได้ใจลูกทีประเด็นต่อมาเอ่อผู้จัด ก, การปล่อยวางแล้วก็ทํา ง, งานอย่างมีความสุขจะสุขได้อยู่ที่สปสอชอผมพูดตั้งแต่เมื่านะครับก็ประมาณ ไปให้เข้าไปพออยู่พ อ, อกินพอเปิดค่าเยียงยาได้ลักษณะแค่พ อ, อพออยู่พ อ, อกินให้ตรงลงไปที่โรงพยาบาลตะบนเลยแล้วงานทุกกลุ่นทุกอย่าง28ตัวชีวัต28งาน ส, นสักเศษครับและสักทาเวอร์ด้วและท่านอย่มองนะครับคนนี้ครับกี่แมนระดับองเภอ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 ถ้าเราทำนี้เนี่ยเราท้อแท้เท่าไหร่เราก็จะไม่ถึงแม้เราจะไม่ล้มถึงแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะไม่ทอ้อแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะเพราะเรามีความสุขกับการทำเราไม่ได้มีความสุขกับความสำเร็จเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับความสาเร็จนะมันทำนี่ยากนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทำแล้วก็ทำได้อาตมาก็อนนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นวิธีการในการบริหาร